กระดูกผีร้องไห้สัมผัสสยองนาทีเป็นชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบกว่ากว่ามีพ่อชื่อ่องกรทั้งสองมีอาชีพขายเสื่อน้ำมัน ทุกวันนาทีและทองกอนจะนำเสื่อน้ามันมาพับแล้ววางท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อขี่ไปขายตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งอาชีพนี้นาทีและทองกอนทำมาหลายปีแล้วชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็รู้จักพ่อค้าเร่สองคนนี้เป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งทองกอนขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปตามถนนแล้วถูกรถปิกอัพเฉี่ยวชน รถทองก้อนล้มลงตัวทองก้อนกระเด็นไปเกือบห้าเมตรหัวฟาดพื้นนาทีซึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคนขับรถปิกอัพรีบจอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือและโทรเรียกรถพยาบาลแต่ก็ช่วยชีวิตทองก้อนไว้ไม่ได้เมื่อทองก้อนสิ้นใจคนขับรถปิกอัพ ได้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายในงานศพทั้งหมดและได้มอบเงินทำขวัญให้กับนาทีอีกห้า0 0่นบาทแต่ถึงอย่างนั้นนาทีและหยัดยาก็ยังเศร้าโศกเสียใจที่ขาดหัวเรียวหัวแรงของครอบครัวไปหลังจากทำการเผาศพทองก้อนเรียบร้อยแล้วรุ่งขึ้นนาทีและหยัดยาก็ไปป่าช้า เพื่อเก็บกระดูกของทองกอนที่เหลือจากการเผาก็ได้กระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณหนึ่งกอบจึงนำมาห่อในผ้าขาวแล้ใส่ไว้ในหม้อดินเสร็จแล้วจึงนําไปฝากไว้ที่วัดเพราะครบร้อยวันที่ทองก้อนตายก็ได้ทําบุญแล้วนํากระดูกของทองกอนไปเก็บไว้ที่โกดเก็บกระดูกใกล้กับเจดีเก่า กฎเก็บกระดูกของทองก่รมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ60เซนติเมตรความสูงประมาณหนึ่งเมตรครึง่งส่วนด้านบนจะเป็นฝาเปิดได้ด้านในจะเป็นช่องสําหรับเอาไว้ใส่กระดูกทุกๆุ ก, กวันพระนาทีจะนําดอกไม้ทูเทียนไปเยี่ยมคารวะกระดูกของพอ่อย่างสม่ําเสมอเวลาผ่านไปประมาณสามเดือน วันหนึ่งตอนประมาณห้าทุ่มเสษเศษขณะที่นาทีกำลังเคลิ้มจะหลับท่านใดนั้นก็สะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงหมาหอนอยู่ในบริเวณไกลๆสักพักก็ได้ยินเสียงคล้ายคนร้องไห้เบาๆแล้วเงียบไปนาทีเงียหูฟังอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนาทีเลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงลมพัด คืนต่อมาเป็นคืนที่สองช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเศษ เ, เหมือนกันมาที่บ้านก็เริ่มหอนรับกันเป็นระยะระยะนาทีนอนกระสับกระส่ายขณะที่กำลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงใครคนเรียกชื่อนาทีนาทีซ้ำๆอย่างนั้นหลายครั้ง ลาวเสียงนั้นก็เงียบหายไปสองคืนลาวที่นาทีได้ยินเสียงแปลกๆ แ, แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคืนถัดมาเป็นคืนที่สามบรรยากาศค่อนข้างมืดกลมเพราะมีเมฆฝนมานาทีจึงเข้านอนแต่หัวค่าเพราะที่หมู่บ้านถ้าฝนตกไฟฟ้ามักจะดับรวมทั้งวันนี้ นาทีรู้สึกอ่อนเพลียอยากพักผ่อนขณะที่กำลังล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงหมาหอนขึ้นมาและมีเสียงเรียกอย่างชัดเจนว่านาทีนาทีช่วยพ่อด้วยนาทีผุดลุกขึ้นแล้วตะโกนว่าพ่อพ่ออยู่ไหนใครจะทำร้ายพ่อ สิ้นเสียงของนาทีทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของนาทีกลับครุ่นคิดเป็นห่วงพ่อเกิดอะไรขึ้นกับพ่อถึงมีเหตุการณ์แปลกแปลเกิดขึ้นติดต่อกันถึงสามวันพอรุอง่งเช้านาทีก็ได้นําดอกไม้และทูปหนึ่งดอกไปกราบโกรเก็บกระดูกของพ่อและบอกพ่อว่า ถ้าพ่อเดือดร้อนอะไรและอยากให้นาทีช่วยเรื่องอะไรให้มาเข้าฝันนาทีในคืนนี้คืนวันที่สนาทีรีบเข้านอนแต่หัวคำ่ำโดยหวังว่าวิญญาณพ่ออาจจะมาเข้าฝันแต่คืนนี้เมื่อนาทีเข้านอนทุกอย่างกลับเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนนาทีพร้อยหลับไป ในตอนเช้าของวันที่ห้านาทีก็รีบไปที่วัดเพื่อไปไหว้กระดูกของพ่อก็ได้พบเด็กวัดคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดและทำความสะอาดบริเวณ น, นั้นอยู่นาทีจึงทักทายเด็กวัดคนนั้นคุยเรื่องทั่วๆไปแล้วเด็กวัดคนนั้นก็ได้เล่าให้นาทีฟังว่าเมื่อประมาณสี่วันที่ผ่านมาเวลาประมาณสี่โมงเย็น ได้มีชายแปลกหน้าสามคนได้เข้ามาในวัดและเดินวนเวียนที่โกฎเก็บกระดูดเด็กวัดคนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าอาจจะเป็นลูกหลานมาไหวากระดูกญาติของตนแล้วสักพักหนึ่งคนเหล่านั้นก็ขับรถออกไปนาทีได้ฟังก็นึกสังหอนในใจว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงได้เข้าไปในกุฏิ ของหลวงพี่นาทีรู้ว่าที่วัดนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หลายตัวจึงไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดตัวที่ติดตั้งบริเวณโกดเก็บกระดูนาทีได้ตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังในช่วงวันและเวลาที่เด็กวัดคนนั้นได้บอกกล่าวก็พบว่ามีชายสามคนขับรถเก๋งสีดำยี่ห้อหนึ่ง เข้ามาจอดอยู่ที่ลานวัดแล้วทั้งสามคนก็มาที่โกดเก็บกระดูกของทองก้อนจากนั้นช่วยกันยกส่วนบนของโกดออกมีคนหนึ่งหยิบห่อผ้าขาวที่ข้างในมีกระดูกของทองก้อนออกไปแล้วทั้งสามคนก็ขับรถออกไปจากวัดนาทีเห็นดังนั้นก็ใจสั่นที่คนมาขโมยกระดูกของพ่อไปคิดว่า คงจะเอาไปทำอะไรไม่ดีวิญญาณของพ่อจึงมาขอความช่วยเหลือนัทีขออนุญาตหลวงพี่เพื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตารวจหลังจากตารวจ ร, รับแจ้งความแล้วนัทีจึงกลับบ้านแต่คืนนั้นนัทีก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนในใจคิดเพียงแต่เรื่องราวของพ่อและคืนนี้ ทุกอย่างกเงียบไม่มีเสียงวิญญาณของพ่อมาขอให้ช่วยเหลืออีกเลยเช้าของวันที่หกนาทีตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้วรีบขี่รถไปยังสถานีตำรวจเพื่อที่จะไปถามความคืบหน้าแต่ได้รับคำตอบจากตำรวจว่ากำลังดำเนินการอยู่เพราะไม่มีเบาะแสของคนร้ายเลย ส่วนเลขทะเบียนรถที่คนร้ายขับมาก็สืบไม่ได้เพราะเป็นเลขทะเบียนปลอมนาทีเดินออกจากสถานีตำรวจอย่างเมื่อยลอยพอถึงรถนาทีก็ขี่ออกไปยังไม่มีจุดหมายปลายทางในใจพยายามจะหาทางที่จะช่วยเหลือวิญญาณของพ่อนาทีขี่รถไปเรื่อยๆขนาดเดียวกัน สายตาก็สอดสายหารถเก๋งของคนร้ายหวังว่าถ้าโชคดีอาจเจอคนร้ายซึ่งอาจจะเป็นคนแถวแถวนี้ก็ได้นาทีขี่รถมาเรื่อยๆจนออกนอกเมืองไปถึงอีกอำเภอหนึ่งแล้วรถก็มีอาการกระตุกจากนั้นเครื่องยนต์ก็ดับลงจึงคิดว่าน้ำมันหมดเพราะขี่มาก็ไม่ทันได้สังเกต ขณะที่กำลังคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีทันใดนั้นเองนาทีก็เหลือไปเห็นบ้านหลังหนึ่งในบ้านนั้นมีผู้คนจำนวนมากเดินไปเดินมาเขาจึงเดินเข้าไปเพื่อหวังที่จะขอความช่วยเหลือแล้วชายคนหนึ่งก็อาสาไปซื้อน้ำมันรถมาให้ขณะที่นาทีกำลังรอน้ำมันอยู่ก็ได้พูดคุย และสอบถามผู้คนเหล่านั้นว่าจะจัดงานอะไรกันจึงได้รับคำตอบกลับมาว่าพรุ่งนี้จะมีการทำพิธีใหญ่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังซึ่งจัดเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เลยต้องมาช่วยกันเตรียมของลวงหน้าขณะที่นาทีกำลังพูดคุยกับชาวบ้านที่มาช่วยงานอยู่นั้น mm hmm. ก็ได้มีชายคนหนึ่งพาดทางดูหน้าเกรงขาม เขาแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์หรือผู้ที่จะมาทำพิธีเพราะเห็นผู้คนยกมือไหว้อย่างเคารพนับถือชายคนนั้นเดินมากับชายอีกสองคนนาทีจ้องตามไม่กระพริบเพราะจำได้ดีว่าหนึ่งในสองคนนั้นเป็นคนคนเดียวกันกับที่นาทีเห็นในกล้องวงจรปิด ที่มาขโมยกระดูกของพ่อนาทีดีใจที่เจอขโมยแล้วแต่ก็คคมาการเอาไว้รอจนคนที่ไปซื้อน้ำมันมาถึงเมื่อนาทีเติมน้ำมันรถและสตาร์ทเครื่องติดแล้วนาทีจึงรีบขี่รถหรงไปยังสถานีตำรวจตำรวจจึงนัดให้นาทีนำทางไปที่บ้านหลังนั้นในวันรุ่งขึ้น คืนนี้นาทีนอนนึกลำดับเหตุการณ์แล้วเข้าใจได้ว่าคนร้ายที่ขโมยกระดูกของพ่อคงต้องการเอาไปทําพิธีอะไรสักอย่างวิญญาณของพ่อจึงร้องไห้และมาขอความช่วยเหลือการที่รถของนาทีเสียก็คงไม่ใช่ความบังเอิญอาจจะเป็นเพราะดวงวิญญาณของพ่ออยากให้นาทีตามคนร้ายจนเจอ รถจรึงได้หยุดที่หน้าบ้านหลังนั้นนาทีก้มลงกราบบนหมอนแล้วอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของพ่อรออีกนิดเขาจะได้ไปช่วยวิญญาณพ่อให้ได้เป็นอิสระเช้าตรู่ของวันที่เจนาทีก็ได้นำทางตำรวจไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งตำรวจก็ได้ประสานไปยังตำรวจทองทีแล้วนัดหมายกัน ไปบ้านของอาจารย์ที่จะทำพิธีปลุกเสกพอไปถึงก็พบผู้คนจํานวนมากกาลังเข้าร่วมพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังโดยมีอาจารย์ทำพิธีบริกรรมคาถาและตรงหน้าของอาจารย์ที่ทำพิธีนอกจากจะมีดอกไม้ถูกเทียนและของเส้นไหว้แล้วก็มีหอผ้าสีขาวซึ่งนาทีจาได้ดีว่านั่นคือ หอผ้าบรรจุ ก, กระดูกของพ่อเมื่อเห็นหลักฐานยังชัดเจนตำรวจจึงกลูเข้าไปจับตัวอาจารย์ที่ทาพิธีพร้อมกับชายอีกสองสามคนเมื่อตำรวจได้สอบสวนทั้งหมดอาจารย์ที่ทาพิธีก็ได้รับสารภาพว่ากําลังปลูกเสกเครื่องรางของขลังโดยใช้กระดูกของผีตายหงมาร่วมทาพิธีเพื่อให้เกิดความขลัง และจะใช้มนดำสะกดวิญญาณของผีตายหงเอาไว้ไม่ให้ไปไหนแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรตำรวจก็มาทำลายพิธีกรรมสิก่อนเมื่อจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนนาทีก็ได้กระดูกของพ่อคืนมาและมาทราบจากญาติว่าถ้าช่วยไม่ทันในวันที่เจ็ด ดวงวิญญาณของพ่อคงถูกมันสะกดเอาไว้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนาทีระยัะยาตจึงตกลงกันว่าจะไม่นากระดูกของพ่อไปเก็บไว้ที่โกดอีกแล้วแต่จะนำไปลอยในแม่น้ำใหญ่ให้กระดูกไหลไปตามน้าเพื่อดวงวิญญาณของพ่อจะได้ไปผุดไปเกิดและไม่มีใครนาเอาไปได้อีกใคร ที่เก็บกระดูกของพ่อและแม่ไว้ลองไปเปิดดูสิว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่า ฮัตสิยง